ขอเชิญสาธุชนสดับรับฟังรายการธรรมและทัศน์ชีวิตบรรยายธรรมโดยอาจารย์วะสินอินทศรละสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศน์ชีวิตนะครับผมวสินอินทศรละจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์วันศุกร์นะครับ เรื่องที่จะคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็คือเรื่องการประเมินบุคคลการประเมินบุคคลนะครับอันนี้ก็จับใจความสำคัญจากพระสูตรสูตรหนึ่งที่เรียกว่ามิคาซาลาสูตร มีคคัสาลาสูตรนะครับว่าด้วยบุคคลหกจำพวกที่นี้ตามนัยยะประสูตรนี้ก็ค่อนข้างจะยาวนะครับผมก็จะย่อความย่อความมาคุยกับท่านผู้ฟังก่อนเพราว่ามีเรื่องว่ า, าเวลาเช้าวันหนึ่งนะครับท่านพระอนนเข้าไปบินทบาท เข้าไปบินธบาต ท, ที่บ้านของอุบาสิกาชื่อมิคาตาลาเมื่อถวายอาหารบินธบัตแล้วอุบาสิกาก็มาคุยกับพระอนุถามพระอนุว่าที่พระผู้มีพระภาคย่าทรงสแสดงถึงบุคคลสอง คนพระพุทธเจ้าจัดถึงคนสองคนมีคติเสมอกันแต่ว่าคนหนึ่งประพฤติประมาจันอีกคนหนึ่งไม่ประพฤติปรมาจันถ้ามีมีคติเสมอกันในสัมปราชพกแวข้านนก็ถามว่าคืออย่างไร มิกาศาลาอุบาสิกาก็เรียนพระอนนว่าบิดาของเขาเนี่ยชื่อปุราณนะเป็นผู้ประพฤติของมจรพูดง่ายๆก็คือว่ารักษาสินแบกแล้วก็เมื่อทำกาละแล้วถ้าผู้มีประภาคทรงพยากรกรรมเสยากรหมายความว่าจัดบอก ว่าเป็นสกทาคามีแล้วก็เข้าถึงหมูเทพชั้นดุสิตส่วนบุคคลอีกคนหนึ่งชื่ออิสิท ต, ตะเป็นเพื่อนรักของบิดาของมิคัสลาเป็นผู้ไม่ได้ประพิติกรมจันทร์พูดง่ายๆว่ารักษาสิห้า ว่าเขาทำกาละแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นปักกาคามีบุคคล เ, เข้าวถึงหมู่เทวดาชั้นดุสิตเหมือนกันเขาถามพระอานน์นว่าทำที่พระภูมีพระภาคทรงสแสดงแล้วนี้ทำไมคนที่ประพฤติทำไม่เหมือนกัน จึงมีคติสัมปราญาภพเสมอกันว่าคนหนึ่งถือศีลห้าคนหนึ่งถือศีลแปดแต่ว่าเวลาตายแล้วไปสู่คติสัมปราญาภพเหมือนกันก <c oughs> ระนนทท่านไม่พูดอะไรท่านบอกว่าก็พระภูมิพระภาัตัดไว้อย่างนี้แล้วท่านก็ไม่ได้พูดอะไรอีกท่านก็กลับ ต, ตรงนี้เป็นความน่ารักของพระอานุนนะครับคือท่านไม่รู้แต่ท่านไม่รู้ท่านก็ไม่พูดเพราท่านก็บอกว่าพระผู้มีพระภาคจัดไว้อย่างนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับพุทธสาวกนะครับคือว่าอะไรที่เราไม่รู้ถ้าเราก็บอกผู้ถามว่าเรื่องนี้พระภู้มีพระภาคเจ้าจัดไว้อย่างนี้แต่ว่าจะ ให้ยืนยันหรือปฏิเสธก็ยังไม่กล้ายืนยันหรือปฏิเสธเพราะพระผู้มีพระ ภ, ระภาคตรัสไปอย่างนี้ <c oughs> แล้วก็ให้ออกไปคิดกันต่อไป <c oughs> เนื้อพระนลท่านรับบินทะบาตแล้วก็กลับไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยาวจัดเล่าเรื่อง ให้ฟังจับไม่ขอโทษจับพระ อ, อ น, นุ อ, อกลับจากบ้านของมิคาสลาอุบาสิกาแล้วไปเฝ้าพระภูมีพระภาคกราบทูลเล่าเรื่องที่มิคาสลาอุบาสิกาถามให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าอุบาสิกาชื่อมิคาสลา ไม่สลาดจะไปรู้อะไรว่าทำไมเอาความรู้ของตัวไปเทียบกับพยานของพระพุทธเจ้าอ <c oughs> ทําไมเอาความรู้ของตัวไปเทียบกับพยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยอ ข้อความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระนนท์ค่อนข้างยาวนะครับตามลีลาของพระใจพิดกแต่ทีนี้ผมย่อมาพูดให้ท่านทั้งหลายทราบนะครับอย่างนี้ อ, อมออิพระนนท์พระพุทธเจ้าจะตรัสว่ามิขสาลาเอาปัญญาของตน ด้วยความรู้ของตนไปเทียบกับพระยานของพระพุทธเจ้าได้อย่างไราการประเมินบุคคลว่าใครเป็นเช่นไรหรือมีอินทรีย์อย่างไรมีคติสัมภาระพบอย่างไรก็ต้องเป็นของผู้มีญาณอย่างพระองค์หรือผู้ที่เหมือนพระองค์เท่านั้นจึงจะอย่างรู้ได้ อันนี้ก็หมายถึงอินทรยปโรปริยตญาณอินทรยปโรปริยัตญาณคือพระญาณที่รู้อินทรีของสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ทั่วไปแก่ตาวกเราอีกทรงเตือนไม่ให้ประเมินบุคคล เพราะจะทำลายคุณวิเศษของตนแล้วกการประเมินบุคคลมักจะผิดเสมอนะครับคือมักประเมินผิดเสมอเพราะว่าไม่มีญาอยางรู้รายละเอียดในชีวิตของแต่ละคนและแต่ละคนนี่มีรายละเอียดของชีวิตมากเลยนะครับทียิบเลย แต่ว่าส่วนมากที่เราเห็นเราเห็นแต่ผิวเผด น, นะครับพระผู้มีพระพาคเจ้าทรงยกตัวอย่างบุคคลออกจำพวกนะครับคือหนึ่งผู้เว้นบาปพระพุทธ ร, รมจันทร์ร่วมกันอยู่ร่วมกันเป็นสุขแต่ไม่นิยมการฟังธรรมไม่ศึกษาหาความรู้ไม่เข้าใจธรรม ใจไม่หลุดพ้นแม้จะเพียงเป็นการชั่วคราวเขาตายไปย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญในพวกที่หนึ่งนะครับจะ เ, เว้นบาปแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ศึกษาความรู้ไม่ได้ฟังทรรมพวกที่สองนะครับ บางพวกเว้นบาปประพฤติพรหมจรรย์อยู่ร่วมกันเป็นสุขกับผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันแต่วว่าแล้วก็พวกเขายังนิยมสังธรรสนใจศึกษาความรู้ได้ความหลุดพ้นแห่งใจเป็นบางคราวอันนี้หมายความว่าเป็นที่ภาษาบาลีใช้คำว่าส ม, มยวิมุตโตคือว่าหลุดพ้นเป็นขั้นข่าว วถวาพูดแบบวิมุตต์ก็คือว่าตาทางงขวีมุตต์ได้กะทางงขวีมุตต์หลุดพ้นชั่วขาว <c oughs> ่าวเข้าใจธรรมเข้าใจธรรมะเขาตายไปจ่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่ <c oughs> อมท่านจะเห็นว่าประพฤติพรมจันทร์เหมือนกัน แต่องค์ประกอบอื่นๆต่างกันคัติก็ย่อมจะต่างกันพวกที่สองดีกว่าประนิดกว่าพวกที่หนึ่งเพราะเหตุใดเพรเหตุใดเพราะพวกที่สองได้ถูกต้องกระแสธรรมเรื่องนี้ใครจะรู้นอกจากกะตถาคดยากตอนนี้ถึงพวกที่สามนะครับ ข้อที่สามบางพวกคนบางพวกมีความโกรธและถือตัวบางล่าวความโลภเกิดขึ้นแก่เขาพวกเขาไม่ได้ฟังธรรมไม่สนใจศึกษาธรรมตายแล้วไปในทางเสือข้อที่สี่มีความโกรธและความถือตัวบางล่าวความโลภเกิดขึ้นแก่เขา แต่พวกเขาสนใจฟังธรรมศึกษาธรรมตายแล้วไปทางเจริญพวกที่ห้านะครับมีบางพวกมีความโกรธและตื้นตัววจีสังขารเกิดขึ้นแก่เขาโดยการสนทนาปราศัยตามระยะตกักขาพระตักขาจาจาอธิบายว่าที่ว่าวจีสังขารเกิดขึ้นหมายถึงว่า าการสนทนาปราใสเขาไม่ได้ฟังธรรมเมื่อจินชีพแล้วย่อมเป็นไปในทางเสือ่อมพวกที่หกบางพวกมีความโกรธและถือตัววัจีสังการเกิดขึ้นแก่เขาพวกเขาได้ฟังธรรมได้สนใจศึกษาธรรมเข้าใจธรรมได้ความหลุดพ้นทางใจ เพราะปีติกราโมท่านเคยจัด ก, การฟังธรรมนั้นเมื่อตายแล้วไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อ <c oughs> ท่านจะสังเกตเห็นนะครับสังเกตเห็นอย่างข้อสองถึงข้อข้อสามถึงข้อหกจะจะเห็นชัดเจนนะครับว่าคนมีกิเลสเหมือนกันแต่ตัวประกอบไม่เหมือนกัน ว่าพวกหนึ่งชอบฟังธรรมอีกพวกหนึ่งไม่ชอบฟังธรรมเอ่อพวกที่ไม่ชอบฟังธรรมตายแล้วไปทางเสือกพวกที่ชอบฟังธรรมตายแล้วไปทางเจริญเห็นเนี้ครับพระพุทธองค์จึงทรงเน้นว่าอย่าประเมินบุคคลแต่การประเมินบุคคลเป็นสิ่งทําได้ยากสําหรับผู้ไม่มีญาณ ไม่มียานอย่างพระจจ้าคตเจ้าในสำหรับคนสองคนคือปุราณะและอิสิท ต, ตะนั้นอัตกะาแตาแงนิคษาลาสูนะครับได้บอกไปว่าศีลของปุราณะเท่ากับปัญญาของอิสิทตะปัญญาของอิสิทตะเท่ากับศีลของปุราณะ ยีทัศตะสูงกว่าโดยปัญญาปุรณะสูงกว่าโดยศีลทั้งสองคนจึงมีคติเสมอกันอคือว่ามันมีคุณสมบัติบางอย่างไม่เท่ากันนี้เมื่อเอาไปเอาไปบวกลบแล้วมันมีคุณสมบัติเท่ากันอต่ยกตัวอย่างให้ดูอีกสักเรื่องหนึ่งก็ได้นะครับเช่นว่าอาพระสกทาคามีบุคคล พระสกทากรรมีบุคคลนะครับามาเกิดอีกขนเดียวมาสู่โลกนี้มาเกิดอีกหนเดียวทีนี้พระโสดาบันพระโสดาบันนั้นมีอยู่สามพวกพวกหนึ่งเรียกว่าเอกพีชีเอกพีชีนี้มีคุณสมบัติเท่ากับมีปัญญามาก มีปัญญามากจึงมาเกิดผลเดียวเหมือนกันเอกพิจีแต่ว่ามีพืชครั้งเดียวมีพืชที่ขนเดียวคือต้องเกิดิตผลเดียวเวียนบยใบใจเกิดอีกครั้งเดียวเท่ากับพระสกะทะาการมี <c oughs> แต่ว่าอชั้นเป็นพระโสดาบันทีนี้พระโสดาบันอีกพวกหนึ่งเกิดประมาณอสองสามชาติ โกลังโกละแปลว่าจากตระกูลสูตรสกุลสองสามชาติแล้วก็พวกสุดท้าย ส, สักกัตุป a r a มาเกิดตีอย่างมากก็เพียงเจ็ดชาติมีพระโสดาบันมีอยู่สามจำพวกพวกที่หนึ่งที่เรียกว่าเอกับพีจีนั้นมองดูแล้วไม่ต่างอะไรกับพระสกทาคามีเพราะว่าเกิดอีกคนเดียวในด้านนี้นะครับพูดถึงในด้านนี้เพราะว่า พระสดาบันบางอาบางท่านมีสติปัญญาจะเลี้ยวสลับมากมีปัญญาสูตร <c oughs> มิคัสลสูตรนี้นะครับข้อความในมิคัสลาสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงเน้นหลายครั้งกับพรานโหนดนะครับว่าพวกเธออย่าพอใจในการประเมินบุคคลเพราะว่าการประเมินบุคคล เป็นการทำลายคุณวิเศษของตนเพราะว่ า, าคนทั่วไปไม่มีญาณอย่างพระพุทธเจ้าในเมื่อประเมินบุคคลก็ประเมินด้วยการอนุมาคคือการคัดะเนีตามแนวความคิดของตนโดยถ้าลำเอียงต่อันทาคติเป็นต้นอยู่ด้วยแล้วนะครับก็จะประเมินตามอาคตินั้น ไม่ได้คุณไม่ได้คุณหรือไม่ได้โทษตามที่เป็นจริงเ อ, อเมื่อประเมินแล้วไม่ได้คุณหรือโทษตามที่เป็นจริงแต่จะเป็นการยกย่องเกินจริงบ้าง อ, อ, อันนี้เป็นฉันทาคติไปตำหนิมากเกินไปบ้างว่าเป็นโทสาคติหรือว่าพูดไปเพราะกลัวภัยบางอย่างบ้าง เป็นพยาคติจะพูดเพราะไม่รู้เรื่องบางเป็นโมหคติ <c oughs> ชีวิตคนเรามีตัวประกอบมากนะครับมีแฟกเตอร์มากมีเงื่อนไขมาที่เราเห็นส่วนมากนั่นเป็นเพียงอาการภายนอกหรือรูปแบบ <c oughs> เนื้อหาชีวิตจริงๆของแต่ละคนมีรายละเอียดทียิบเลย ากที่จะรู้ได้การตีเตียนและการยกย่องบุคคลซึ่งควรทำอย่างระมัดระวังอันนี้เป็นข้อความสำคัญในมิขสาลาสุที่ว่าด้วยการประเมินบุคคลนะครับพระสุนีปรากฏในจัตตนิบาต ท, ทางคุตรานิกาย พระไตรปิฎกเล่มยี่สิบสองข้อสามร้อยสิบห้านะครับข้อสามรอยสิบห้าทีนี้ก็เรื่องที่จะคุยกับท่านต่อไปมีคาสาราสูตรจบแค่นี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนอันนี้เรื่องที่จะคุยกับท่านต่อไปก็คืออเรื่องธรรมชาติของชีวิตธรรมชาติของชีวิตมันจะได้ ตามกันหรือสอดคล้อง ก, ก, กันกับเรื่องการประเมินบุคคลอย่างที่พูดมาแล้วนะครับธรรมชาติของชีวิตเรามารู้จักความหมายของธรรมชาติและชีวิตก่อนนะครับ <c oughs> ธรรมชาติคืออะไรถ้าจะกล่าวโดยสรุปนะครับธรรมชาติก็คือความเป็นไปตามธรรมดาของสิ่งนั้ น, น, น ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหมดทั้งปวงในสะกลจกักรวาลฝนตกแดดออกลมพัดฟ้าผ่าบางทีเราก็เรียกว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติสมัยก่อนเมื่อวิทยาศาสตรย์ยังไม่เจริญ น, นะครับมนุษย์ได้เห็นแต่ปรากฏการณ์ธรรมชาติจะเรียกว่า n a t u r a t phenomena เออเนเชเดนฟอร์สแต่ไม่ทราบถึงเบื้องหลังของปรากฏการ์จึงเกิดพิษสวงงงงวยอย่างมากเลยแต่มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่มีสมองสมองของมนุษย์นี้แอคตีมากเลยแอคตีเป็นพิเศษมากกว่าสัตว์สือ่อมแม้จะไม่รู้จิน ก็หาทางแก้ข้อสงสัยไปสังพรางกฎพฤติการนั้นนี้ครับก่อให้เกิดนิจใหญ่เทพนิจใหญ่ต่างๆมากมายเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ของธรรมชาตินอกจากนี้ยังก่อให้เกิดศาสนาปฐมปัจจัยคือศาสนาในยุคตนที่เรียกว่าพรีมิตีดีทีเชนอีกตัว พ r มิ i t i ริยิณ์ที่นะครับเป็นศาสนาประเภทธรรมชาติเทวนิยม เ, เรียกในภาษาอังกฤษว่า Dism Dism Dism Dism เป็นศาสนาประเภทธรรมชาติเทวนิยมแล้วก็เทวนิยม Tism Tism Tseism Tism เช่นศาสนาของชาวอียิปต์กรีกและโรมันโบราณนะครับมีเทพนิยายต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพียงเพื่ออธิบายปรากฏการธรรมชาติซึ่งตนไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างแท้จริงตัวอย่างเช่นเรื่องเทพธิดาอียิป์ของอียิปต์ร้องไห้ถึงสามีจนน้ำตากลายเป็นแม่น้ำนาย ชาวิจิตได้รับประโยชน์จากแม่น้ำหนายมาจึงถอยให้ความเคารพนับถือเทพศิดาไปด้วยรวมความว่าธรรมชาติมีปรากฏการณ์ให้มนุษย์เหตุแต่เบื้องหลังของปรากฏการณ์นั่นคืออะไรเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาคนา้คนคว้าทดลองจึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งตามที่เป็นจริงได้ กล่าวโดวยสรุปนะครับตัวธรรมชาติก็คือตัวกฎอันเป็นเหตุให้เกิดปรากฏการตัวอย่างเช่นคลื่นในทะเลเป็นปรากฏการอย่างหนึ่งตัวกฎก็คือความสัมพันธ์ของลม ก, กับน้ำคือมีแต่น้ําถ้าไม่มีลมก็ไม่เป็นคลื่นถ้ามีแต่ลมไม่มีน้ําก็ไม่เป็นคลื่นแล้วพอเราตักขึ้นมาสักถังหนึ่งมันก็ไม่เป็นคลื่น ตัวกฎก็คือความสัมพันธ์ของลมกับน้ำแล้วก็มีปรากฏการณ์ขึ้นเมื่อมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นปรากฏการณ์เกิดขึ้ น, น <c oughs> อันนี้พูดถึงธรรมชาติตอนนี้มาถึงชีวิตจื อ, อะไรเป็นการยากนะครับที่จะให้คำจำกัดความคำว่าชีวิตเล่าโดยในยันหนึ่งนะครับ ชีวิตของคนเราหมายถึงคุณสมบัติชนิดหนึ่งซึ่งมีอยู่ในมนุษย์สัตว์และพืชที่ทำให้ทั้งสามอย่างนี้แตกต่างกันจากแตกต่างจากก้อนหินก้อนสิงแทะท่อนไม้เป็นต้นนะครับที่เรามักได้ยินการพูดถึงชีวิตในแง่มุมต่างๆนั้นส่วนใหญ่หมายถึงปรากฏการณ์ของชีวิตหรือสภาพแวดล้อมซึ่งชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือสิ่งที่ชีวิตได้รับเป็นชีวิตคือการต่อสู้ชีวิตคือความทุกข์ทรมานหรือคำอันเป็นเชิงเปรียบเทียบเช่นชีวิตคล้ายเปลวไฟเริ่มต้นด้วยควัญทรงตัวอยู่อย่างเล่าร้อนและจบลงด้วยเท่าทายนอกจากนี้ยังมีผู้พูดถึงชีวิตว่าเหมือนอะไรต่ออะไรอีกมากมายสุดที่จะนำมาก่าวให้หมดสิ้นไปได้นะครับ บางคนเห็นชีวิตเป็นความขมบางคนเห็นเป็นความหวานสุดแล้วแต่เขาไปสัมผัสกับมุมใดของชีวิตเข้าในช่วงเวลาใดเกี่ยวกับทัศนะของเกี่ยวกับธรรมชาติของชีวิตนี้นะครับทัศนะทางพุทธศาสนาเห็นว่าชีวิตของของมนุษย์หรือของสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นของยาก ดังพระพุทธพจน์ที่ว่ากิจฉังมัจจานะชีวิตตังกิจฉังมัจจานะชีวิตตังชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นของยากค <c oughs> าถาพระพุทธพทธอในชุดนี้มีอยู่สี่ตอนด้วยกันนะครับแต่ตอนที่หนึ่งว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาภู การได้ความเป็นมนุษย์หรือได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นี่ยเป็นของยากอย่างที่หนึ่งแล้วก็กิจชังมัจจานาชีวิตตัง้ง <c> เ <oughs> <c oughs> มื่อได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์แล้วการดําเนินชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นของยาก ออตอนที่สามว่ากิจชังสัตทรรมัสสวนังการฟังพระสัทธธรรมเป็นของยากตอนที่สี่ว่ากิจโฌบุททานามุ ป, ปาโูการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นของยากรวมเป็นความยากสีก่อย่าง ที่นในที่นี้เรากำลังพูดกันถึงเรื่องชีวิตโดยรธรรมชาติของชีวิตว่ามองตามทัศนะาของพุทธศาสนาแล้วชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นของยากเพราะว่าการได้ชีวิตมาเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากแล้วก็เมื่อได้ชีวิตมาแล้วการที่จะดำเนินชีวิตให้เป็นไปโดยเรียบร้อยโดยรับรื่น ก็เป็นของยากการที่จะทำให้ชีวิตดำเนินไปโดยสงบปราบรื่นแล้วมีความทุกข์น้อยที่สุดก็เป็นของยากแต่ส่วนมากก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์หรือว่าถูกความทุกข์ครอบงำจนบางคนทนไม่ไหวก็ต้องฆ่าตัวตาย หรือว่าทนไม่ไหวต่อสภาพบีบคั้นแวดล้อมสภาพแวดล้อมบีบคั้นก็าคนอื่นบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นบ้างการทมหากินหาทรัพย์สินสมบัติมาเพื่อจะได้เลี้ยงชีพก็ยากแล้วก็มีมนุษย์อีกพวกหนึ่งที่คอยจจชิงจิงสาวคอย ตนคอยขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นที่เขาหามาได้โดยความยากลาบากแต่ก็ก็ชีวิตมันยากตัวมันเองมันก็ใช้ชีวิตไปโดยความยากลาบากแต่มันก็ไปสร้างความยากลาบากให้กับผู้อื่นต่อไปท่นพระพุทธเจ้าท่านจึ่งจัด ตอบคำถามของบุคคลผู้หนึ่งที่มาถามว่าอะไรเป็นเสนียดในโลกพระพุทธเจ้าก็จัตอบว่าพวกโจรพวกโจรเป็นเสนียดในโลกโจราโลกัะมิหมัปปุระพวกโจรเป็นเสนียดในโลก <c oughs> แล้วก็ นอกจากจะสร้างความลําบากให้แก่ตนเองแล้วก็ยังไปสร้างความลําบากให้กับผู้อื่นต่อไปแล้วก็ชีวิตในสัมป라이าภพก็จะลําบากต่อไปอันนี้ก็เพราะความยากของชีวิตรวมความว่า <c oughs> ชีวิตเป็นของยากในการที่จะดํารงอยู่ ในยากในการที่จะประคับประคองรักษ า, าคือว่าชีวิตคอยจะแตกดับอยู่ตลอดเวลาเหมือนฟองสบู่เหมือนฟองน้ำตั้งขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปตั้งขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไป <c oughs> ความยุ่งยากตลอดชีวิตของมนุษย์ากา็กนนก ค, กคือการถนอมรักษาชีวิตแต่ไม่เพียงแต่มนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงเขามีความยุ่งยากตลอดชีวิตก็คือการถนอมรักษาชีวิตถือมันคอยที่จะแตกดับคอยแต่จะแตกทำลายไป ชีวิตเหมือนก้อนศิลาที่แขวนอยู่กับเส้นด้ายเส้นเล็กๆผู้ที่เป็นแพทย์หรือนักศึกษาก็อย่อมจะสังเกตหเห็นอยู่ทุกวันว่าความพยายามของมนุษย์เราที่จะรักษาชีวิตไว้นั้นเป็นความลำบากยุ่งยากเพียงไรตัวทุกคนไม่เพียงแต่เป็นแพทย์หรือเป็นนักศึกษา ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นคนประเภทไหนล้าเผื่อว่ามีโยนิโสมนสิกการคือคิดเป็นโยนิโสมนสิกการก็ ค, คิดเป็นคิดเป็นระบบแล้วก็จะก็จะเห็นว่าความพยายามของมนุษย์เราที่จะรักษาชีวิตไว้นั้นเป็นความลาบากยุ่งยากเพียงใดว่ามันมันจะ มันจะเจ็บมันจะป่วยมันจะตายอยู่ทุกวันให้เราก็ช่วยขยุงช่วยประครับประคองมันไว้ลองลองไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่พักพออ่อนหนึกวันสองวันก็จะเห็นเห็นฤทธิ์ของมันเพราะมันหมุนไปเพื่อจะแตกตัก หมุนไปสู่ความเสื่อมสลายแล้วก็เมื่อเพื่อให้มันมีชีวิตอยู่มันก็ยุ่งยากทั้งแก่ตัวเราเองแล้วก็แก่ใครต่อใครทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่มาเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ไม่เพียงแต่ยังมีชีวิตอยู่ตายแล้วตายแล้วก็ยังยุ่งต่อไป บางคนก็ยุ่งไปร้อยวันตายแล้วก็ยุ่งไปอีกร้อยวันอถ้าเผื่อว่ามีพวกพ้องมากมีญาติพี่น้องมากมียศมากมีทรัพย์สินสมบัติมากอาจจะยุ่งไปถึงพันวันก็ได้แต่ว่าไม่รู้จักจบไม่รู้จักจบจากสิ่งตามทัศนะของพุทธศาสนาจึงสรุปลงว่า ธรรมชาติของชีวิตเป็นทุกข์ผู้ดิกผูดิคที่หนึ่งนะครับว่าความทุกข์เป็นพื้นฐานสําคัญของชีวิตความทุกข์เป็นพื้นฐานสําคัญของชีวิตอันนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้โปรดจําเอาไว้ให้ดีวเวลามีความทุกข์ขึ้นมาเราจะได้สํานึกเจรินักว่านี่แหคือพื้นฐานของชีวิตจริงๆ ที่เรามีความสุขหรือบ้างนั่นคือว่าเราแก้ไขได้แก้ไขความทุกข์ได้มันก็พากฏเป็นความสุขเป็นมาแต่พื้นฐานจริงๆแล้วมันก็คือความทุกข์อยงเหมือนกับเหมือนกับพื้นผ้าพื้นผ้ากับลายผ้าอันไหนมากกว่ามาดู ต่อไปจะพูดถึงเรื่องธรรมชาติของชีวิตคืออะไรผมได้พูดไว้ในตอนที่หนึ่งแล้วนะครับว่าธรรมชาติหมายถึงตัวกฎหรืสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจึงตกอยู่ภายใต้กฎของชีวิตนั้นตัวกฎของชีวิตนั่นเองคือธรรมชาติของชีวิตพุทธศาสนาได้แสดงไว้อย่างแจ้ง ถึงกฎยิ่งใหญ่ที่ครอบงำสิ่งทั้งปวงอยู่แล้วก็ครอบงำแม่สิ่งที่ไม่มีชีวิตอีกด้วยนะครับเขาเรียกว่าใจรักใจรักลักษณะสำคัญสามประการจึงมีเสมอกันได้สัตว์และสังขารทั้งปวงจึงช่วยจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสามั ญ, ญลักษณะแต่ในภาษาคือใช้คำว่า the three s i z e of being หรือว่า three common c h a r a c t e r i s t i c of condition คือลักษณะสําคัญสามประการคือลักษณะสามมันของสังคตธรรมทั้งหลายสังคารทั้งหลายนั่นเองอสามประการที่ว่านี่ก็คือว่า อานิจจตาความไม่เที่ยงความไม่ยั่งยืนความเป็นไปชั่วคราวของสิ่งทั้งหลายแล้วก็สิ่งทั้งหลายที่ดูเหมือนเที่ยงให้ยั่งยืนนั้นกนะ็เพราะว่ามีความลับของธรรมชาติปกปิดไว้ความลับของธรรมชาติที่ว่านี้ก็คือความสืบต่อ ความสืบต่อที่เรียกในภาษาธรรมวาวสันดติคือกระแสที่สืบเนื่องไม่ขัดสายของกระบวนการธรรมชาตินั้นทางที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่าสันดติสันดติคอนติเนวิตีความเป็นไปติดต่อตัวอย่างเช่นการไหลของกระแสนา้าในแ ม, ม่น้า การไหลของกระแสไฟฟ้าซึ่งสืบต่อในระยะที่จนมองเห็นเป็นดวงช่วงอยู่หรือว่าการสืบต่อของเส้นผิวหนังเส้นกระดูกของร่างกายเป็นต้นนะครับปรากฏการณ์ของความไม่เที่ยงที่เราพอเห็นได้นั้นเป็นส่วนที่หยาบที่เป็นส่วนที่หยาบก็เช่นว่าผมงอ หนังเกี่ยวกายท้อยกำลังของกนฉลาแล้วทีนี้ถ้าซอยให้ละเอียดลงไปอีกก็เรียกว่าคานิกะวะัฏทะซอยอ น, นิจจาความไม่เที่ยงให้ละเอียดลงไปให้ทีจิบ <c oughs> แล้วก็เรียกว่า <c oughs> ก็เรียกว่าคานิกกวัฏทะลัทธิเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นไปเพียงชั่วขณะดำรงอยู่ชั่วขณะ เกิดขึ้นชั่วขณะดำรงอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดขึ้นชั่วขณะดำรงอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปแลคณิกะคณิกะะทีละขณะทีละขณะคณิกะวาทะอะไรว่าโมเมนต์ไทเนสโมเมนต์ไทเนสความเป็นไปเพียงชั่วขณะเพราะขณะที่ ขณะที่นั่งพูดอยู่นี่ท่านผู้ฟังนั่งฟังอยู่นี่จะยืนฟังอยู่เดินฟังอยู่อะไรก็ตามก็เราเกิดและตายแล้วไม่รู้ตั้งกี่ครั้งเพราะเพราะว่ามันเป็นไปทีนนะละขณะเกิดและตายไม่รู้ตั้งกี่ครั้งจิตเกิดและดับไม่รู้ตั้งกี่พันครั้งกี่หมื่นกี่แสนครั้งแล้วก็ โดยปรมัตดทางพุทธศาสนา ก, ก็ถือว่าสัตว์ที่ว่าตายเพราะจิตดับไม่ได้หมายความเร่องดับแต่ที่เรียกว่าตายในชาติหนึ่งหนึ่งตามที่คนทั่วไปเข้าใจไ <c oughs> อ้นั้นมันยังหยาบไปแต่ในขั้นละเอียดก็คือวา่าจิตเกิดขึ้นขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปขณะหนึ่ง น, นั้นก็เรียกว่าตาย แมีพระบาลีที่ว่าจิตพังธรรมโตโลกโกปัญญัติปรมัตติยาว่าโดยปรมัตแล้วตัดชื่อว่าตายเพราะจิตดับันดับไปขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งก็ที่ว่าตายไปชัดหนึ่งแตขณะที่นั่งพูดมาจนแบบนี้ <c oughs> เป็นเวลาสิบกว่านาทีนี่ก็ตายไปไม่รู้ตั้งเท่าไรแล้ว เกิดตายไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วทีนี้ก็คือขนิกะขั้นิกะวาทะที <c oughs> นี้ก็ต่อมาต่อมาถึงกฎํำคัญอีกประการหนึ่งของชีวิตแล้วก็คือทุกขตา <c oughs> ทุกขตาความเป็นทุกข์ก็ความที่สิ่งทั้งหลาย ถูกปิดขั้นด้วยเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกให้ต้องสุดโสมสลายตัวและความที่สิ่งทั้งหลายมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ในตัวจะต้องคอยเอาใจใส่ดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์แต่ ก, ก็เป็นไปได้ชั่วคราวแล้วก็บกพร่องอีกบกพร่องอ ดูดูเวลาในชีวิตประจําวันที่เรากินเราดื่มก็รู้ <c oughs> ถ้าตื่นเช้าขึ้นมา <c oughs> ต้องกินต้องดื่มต้องกินต้องดื่มต้องกินต้องดื่มอไม่รู้เท่าไหร่มันคล่องอยู่แล้วก็ต้องเพิ่มลงไปแล้วส่วนที่จะต้องขับท่ายออกไปก็มีส่วนที่เพิ่มลงไปก็มี เพราะว่ามันมีนความโน้มเอยียงที่จะพร่องอยู่เป็นนิดเพราะไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง <c oughs> แต่ตัวของเราเองของแต่ละคนมันก็ไม่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วทีนี้ก็ถ้ามีหลายๆคนที่จะต้องรับผิดชอบเช่นว่าคนมีลูกทั้งห้าคน <c oughs> ก็ยังเล็กๆอยู่ทั้งนั้นยังหากินเองไม่ได้แล้วก็พ่อแม่จะต้องไปหาเพิ่มให้เขาเท่าไหร่วันๆหนึ่งเขาจะต้องกินต้องดื่มต้องกินต้องดื่มต้องขับถ่ายแต่ร้องไห้กระจอง อ, อแงต้องเจ็บป่วยนี่มันความที่มันพร่องความที่สิ่งทั้งหลายมีความพร่องไม่สมบูรณ์ในตัวเอง ก็มีความสุดสมสลายตัวก oh. ็จะต้องคอยเอาใจใส่ดูแลให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นไปได้ชั่วคราวแล้วก็พร่องอีกนี่ในทางด้านร่างกายในทางด้านรูปธรรมหรือร่างกายก็มองเห็นชัดทีแล้วแต่เน้นเพียงว่าชาวโลกส่วนมากไม่ค่อยได้มอง มองผ่านไปเสียเพราะว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นไม่มีดวงตาคือปัญญามากพอที่จะเจาะลงไปตรงนี้ทีนี้ถ้ามองเข้าไปข้างในข้างในอีกลึกลงไปอีกถึงสภาพของจิตใจมันก็ยิ่งคร่องใหญ่เลย เม่อที่พระเจ้ารัฐบาลได้แสดงธรรมแก่พระเจ้าโครับพยะยวา่าได้ยินได้ฟังมาจากพระผู้มีพระภากเจ้าว่า no no อูโนโลโกอูโนโลโกสัตว์โลกคล่องอยู่เป็นนิดคล่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มไม่เบื่ออาทิตโตไม่อิ่มไม่เบื่อตันหาดาโซจึงต้องเป็นถาดของตันหา มัสโกโลโกสัตวโลกไม่มีสิ่งเป็นของของตนสัตว์บางพหายะธรรมนีอย่างจะต้องละทิ้งสิ่งทางพวงไปต้องละทิ้งสิ่งทางพวงไปในตอนที่เราอยู่เราก็ยึดนั้นยึดนี่ยึดโนนเพราะว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นของเราเอตังมะมะนั่นเป็นของเราเอสหฮามัสสัมมิเราเป็นนั่น <c oughs> แต่ในที่สุดในที่สุดก็อัศโกโลโกสัตโตกไม่มีสิ่งเป็นของของตนสัตตังปหายะขมาณียังจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปทีนี้ก็ถ้าเราถนักอยู่อย่างนี้อยู่เสมอคิดอยู่เสมอนึกอยู่เสม อ, อด้วยโยนิโสมนสิกการคือคิดเป็นความทุกข์มันจะน้อยลง ความทุกข์จะน้อยลงความทุกข์กับความสุขนี่มันจะเอ่อเป็นเป็นอะไรที่ว่าเมื่ออย่างหนึ่งสูงขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็ต้องลดลงเหมือนกับว่าเมื่อความร้อนสูงขึ้นความเย็นก็น้อยลงเมื่อความเย็นสูงขึ้นความร้อนก็น้อยลง คำนองนั้นแต่ความทุกข์ลดลงความสุขก็มากขึ้นแที่จริงแล้วพุทธศาสนาหรือคำสอนทางพุทธศาสนาทั้งหมดมันก็เป็นศิล ป, ปะในการลดทุกข์นั่นเองเป็นศิล ป, ปะในการลดทุกข์ ขัดโลกต้องอยู่เป็นนิรอโนโลโก้แต่นอกจากนี้แล้วยังมีพาระขัดแย้งมีพาระขัดแย้งมีคอนฟิกต์ต่างๆ